จากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระเทศวิสุทธิเมธีหลวงพ่อปัญญานันทพิคุแห่งวัดโชลประธานรังสริ์ปากเกร็ดนนทบุรีขอเชิญท่านรับฟังได้น บ, บัดนี้ค่ะทบาริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกครั้นอยู่ในอาการสงบ หาที่นั่งนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบดเดือนสิงหาคมสอง7ห้ายสาสิบเจ็ด อีกสองวันก็สิ้นเดือนแล้ววันเวลานี่ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วท่านจึงกราบบอกว่ายาเวลาผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆแต่ว่าจุดค่าสิ่งทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเวลาจุดฆ่าพวกเราทั้งหลายให้เป็นอย่างไรให้แก่ น, นั่นเอง เมื่อเราแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวินาทีของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่เพราะเวลามันจุดค่าเราไปและเวลาที่ผ่านไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ไม่สามารถจะเรียกคืนได้เมื่อผ่านแล้วก็แล้วกันไปเราก็แก่ลงไปแล้วจะกลับมาเป็นคนหนุ่มอีกก็ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ มีแต่เดินไปข้างหน้าใล้ายๆกับว่าเราเดินลงเหวทางลาดชันลงไปในเหวเดินไปเดินไปก็ถึงก้นเหวคือความตายนั่นเองความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราไม่ควรกลัวต่อความตายแต่ควรจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิต เป็นฉากหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องแสดงและทุกคนจะต้องถึงฉากนั้นด้วยกันทางนั้นเราหนีไม่พน้นมาคิดถึงเรื่องอย่างนี้ก็ควรจะได้คิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดว่าเราทําอะไรอยู่เวลาที่ผ่านไปนั้นเราทําอะไรอยู่ ว่าต้องคิดถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่แต่เห็นว่าไม่ได้ทำอะไรก็ต้องคิดว่าชีวิตมันจะไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายเราจะต้องรีบใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกคนมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าไม่ทำหน้าที่ แล้วก็ไปบ่นกับใครว่าไม่มีงานทำก่อนที่พูดว่าไม่มีงานทำนั่นคือคนที่ไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักหน้าที่อันตัวจะต้องทำความจริงมีหน้าที่อยู่ประจําแล้วที่จะต้องจัดต้องทำแต่ไม่ได้ทำเลยก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีงานทำ งานที่ทํานั่นหมายถึงว่างานที่ทําแล้วได้รางวัลตอบแทนได้เงินเดือนได้เบี้ยเลี้ยงแต่ว่างานที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอันเป็นหน้าที่อย่างแท้จริงนั้นไม่มีเงินเดือนให้แต่ว่าเราได้รับของเราเองเป็นรางวัลที่เราได้รับด้วยตัวเราเองไม่ต้องมีใครให้ไม่ต้องมีใครขึ้น แล้วไม่ต้องมีใครลดด้วยมันเป็นผลตามธรรมชาติที่เราได้กระทำมาเรากะทำถูกต้องผลก็เป็นความถูกต้องทำให้เกิดความสุขผลก็เป็นความสุขทำให้เกิดความทุกข์ผลก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็อยู่ที่เราทำทางนั้นทางธรรมะท่านจึงสอนว่าให้ทำงาน ตามหน้าที่หรือทําหน้าที่ให้เรียบร้อยว่าเราทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยเราก็สบายใจสบายใจว่าเราไม่อยู่เปล่าชีวิตไม่เป็นมันได้ทําชีวิตได้มีคุณค่าด้วยการทําหน้าที่ถูกต้องแล้วอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดนึกไหวบ่อยๆ เพื่อจะได้เตือนตัวเองให้ไม่ประมาทไม่ให้มัวเมาหลงไหลในสิ่งต่างๆรอบข้างแต่ให้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะกระทำในเวลาปัจจุบันนี้คืออะไรและเราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังอันนี้จะต้องถาม ตัวเองไว้เพื่อเป็นการเตือนตัวเองแนะนำตนเองและเป็นการแก้ไขตัวเองให้เป็นการเรียบร้อยไปด้วยในตัวมาหลักการเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เดินตามรอยประบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ต้องคิดนึกในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำชีวิตให้มีค่ามีราคามีความหมายเพราะได้ทําหน้าที่ของเราถูกต้องการทําหน้าที่ถูกต้องก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นคือการทําหน้าที่อันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาที่บ้านที่ทํางานบนถนนในสังคมอะไรต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราก็ทำตนให้เหมาะให้ควรกับหน้าที่นั้นๆผู้นั้นจะไม่เป็นคนลกลูกไม่เป็นคนฝังลูกแต่เป็นคนที่ไปกับลูกได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยรารู้จักวางตัววางตนให้เหมาะแก่บุคคลเหตุการณ์สถานที่และเวลาที่เกี่ยวข้องชีวิตก็จะไม่เป็นมัน เป็นชีวิตที่มีคุณมีค่าสมความกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาเราเป็นคนไทยเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ค้นพบ ด้วยพระองค์เองดังคำที่เราสวดว่าสัมมาสัมพุทธุเป็นผู้กระสารูชอบด้วยพระองค์เองหมายความว่าสิ่งที่ได้มานั้นได้มาด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจจริงในการแสวงหาด้วยตนเองแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำนั้น ด้วยตนเองจึงเชื่อว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแปลว่ากัสจารูชอบด้วยพระองค์เองธรรมะที่พระองค์ได้กัสจารูนั่นก็เป็นของถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเราจึงได้สวด ส, สรรเสริญพระพุทธคุณว่าสว า, าวกาโตภกวตาธรร ม, มู พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากลัดววาดีแล้วเธอเป็นสิ่งดีเธอดีในเบื้องต้นดีในทำกลางดีในที่สุดดีสำหรับทุกคนที่จะนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวันคนนั้นจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อยู่ในวัยชรา หรือมีหน้าที่การงานอันใดก็สามารถที่จะนำพระธรรมนี้ไปใช้เป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติกิจนั้นๆให้สำเร็จผลประโยชน์ ด, ด้วยดีทั้งนั้นไม่ขัดขอ้อไม่มีอุปสรรคเอาไปแล้วก็ใช้ได้เป็นประโยชน์พระองค์กัดไว้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนี้ เป็นสิ่งไพเราะในเบื้องต้นทำกลางที่สุดคำว่าไพเราะหมายความว่าไม่เป็นที่รำการไม่เป็นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจแก่ใครๆผู้ใดได้ฟังแล้วก็มีความชื่นใจเรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นฟังไปก็มีความชื่นใจฟังจบแล้วก็ยังมีความชื่นใจ ยังชื่อว่าภัยระเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดและถ้าเรานำธรรมะนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราก็ได้รับความสุขความสงบในชีวิตประจําวันเป็นเครื่องทําลายอุปสรรคไม่ให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในการดํารงชีวิตประจําวันพระธรรมะเป็นเกราะช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดความทุกความแดดร้อนใจเรียกว่าไม่ให้เกิดปัญหาจากการปฏิบัติกิจนั้นๆผิดกับคนที่ทํางานโดยไม่ได้ใช้ธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องกํากับจิตใจมีปัญหามากมีความทุกมากมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเกิดอุปสรรคข้อขัดข้องขึ้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นตัวอุปสรรคข้อขัดข้องไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแก้ได้ เพราะสิ่งทั้งหลายมีเกิดก็ต้องมีดับโดยกันทังนั้นไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับมาเกิดแล้วมันก็ต้องดับของมันเองตามธรรมชาติแต่ให้ดับเองตามธรรมชาตินั้นมันช้าเสียเวลาเราจะต้องทำให้มันดับไปด้วยปัญญาของเราการทำให้มันดับไปด้วยปัญญานั้นมันดับไว แล้วทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรดับไปเพราะอะไรมีประสบการณ์เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องมากขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้เท่าในสิ่งนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงทีไม่เลื่อนลัง ไม่เป็นปัญหาประเภทเรือดรังอยู่ในชีวิตของเราเราก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากเราปฏิบัติพระธรรมธรรมะจึงเป็นสิ่งที่กล่าวว่าดีแล้วเป็นสิ่งประเสริฐคู่บ้านคู่เมืองคู่ลูกผู้ใดศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พวนั่นจะเห็นผลด้วยตัวของตัวเองดังบทที่เรียกว่าสั้นิทธิโกูซึ่งแปลว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดด้วยตัวเองเห็นอะไรก็เห็นผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นแก่ตัวเราโดยวิธีอะไรเราเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้น ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตัดปัญหาได้หลายเรื่องปัญหาที่เป็นความเชื่อเหลวไหลเปลี่นมีความเชื่อตามหลักไสยศาสตร์มีความเชื่อว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดมาจากเหตุภายนอกเกิดมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ดลบันดาลให้เป็นไป หรือสิ่งภายนอกทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แตนเรามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าเพราะดวงดาวในท้องฟ้าปัญหาจึงเกิดขึ้นหรือเพราะสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดปัญหาอันนี้มันไม่ถูกไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น แต่จะทำให้เรามงมงายในเรื่องต่างๆมากขึ้นถูกหลอกถูกต้มด้วยวิธีการเยียดยุนด้วยประการต่างๆดังปรากฏเป็นข่าวออกมาบ่อยๆว่าคนนั่นไปหลอกไปต้มคนนั่นด้วยวิธีนั้นด้วยวิธีนี้อันนี้มันทำได้กับคนผู้ไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะ ไม่เข้าใจธรรมะถูกต้องเลยก็ถูกหลอกให้เสียหายแต่ถ้าเราเป็นผู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ปัญหาไม่เกิดและจะไม่มีใครมาหลอกเราได้ถ้ามีใครมาหลอกเราก็รู้ว่าไอ้นี่เล่นลูกไม้กับกูอีกแล้วจะมาหลอกลวงเอาอะไรจากกูอีกแล้ว เรารู้ทันรู้เท่ากับคนเหล่านั้นปัญหามันก็ไม่มีและเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวทำอะไรแบบงู้งงูเ่นว่าไปเที่ยวทำพิธีรีตองต่างๆกับจริงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรานี่ด้วยวิธีการแปลกๆถ้าเราเป็นผู้ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มีความเข้าใจถูกต้องเห็นผลของการปฏิบัติด้วยตัวเองมาตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะเราเข้าใจชัดว่ามันเกิดขึ้นที่อะไรโดยวิธีใดเราเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็แก้ที่ตัวเราไม่ต้องไปแก้ที่วัตถุภายนอกไม่ต้องไปทำการเสี่ยงทาย ไม่ต้องไปทำพิธีบนบานสารกล่าวหรือ้าพูดสมัยใหม่ว่าไม่ต้องไปคอรับชั้นกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลที่ตนต้องการเพราะเรารู้แก่ใจว่าอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองเป็นสันนิษีิกูคือรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อตามเขาบอกตามเขาเล่า เราเชื่อการปฏิบัติของเราเราเข้าใจถูกต้องและเราปฏิบัติถูกต้องผลที่เกิดขึ้นก็เป็นความถูกต้องอันนี้เป็นหลักสําคัญเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องทำกิจสามอย่างควบคู่กันไปคือศึกษาเรียกว่าปริยัตมาให้เข้าใจถูกต้อง ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องศึกษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการอ่านศึกษาด้วยการคิดคน้นจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่าให้สิ่งใดที่เกิดขึ้นผ่านไปโดยไม่ได้วิจัยวิจารในสิ่งนั้นเราต้องใช้ตัวปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เอามาคิดมาคน้น มาตีความเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องไม่รับอะไรง่ายง่ายไม่เชื่ออย่างอมง่ายไม่เชื่อตามเขาบอกเขาเล่าไม่เชื่อตามข่าวลือหรืออะไรต่างๆแต่เราเชื่อเพราะเราได้เห็นชัดด้วยตัวของเราเองด้วยการคิดค้นด้วยตัวเอง และด้วยการปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วประจักษ์แก่ใจของเราเองว่ามันเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรมีความร้อนใจมีความเย็นใจอย่างไรเรารู้เราเข้าใจรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกต้องจะไม่มีใครมาหลอกเรา ด้วยวิธีการใดๆเป็นอันขาดเพราะในสังคมในยุคปัจจุบันนี้มีลูกไม้มาคนนี่อบใจลูกไม้อะไรกลลวิธีด้วยวิธีการต่างๆเพื่อหลอกคนต้มคนให้เสียหายถ้าเราไม่มีปัญญาตามแบบพระพุทธเจ้าเราก็เสียท่าคนอื่นถูเขาหลอกเขาต้มเอาไปไง่าย แต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าใครจะมาต้มเราไม่ได้ใครจะมาหลอกเราไม่ได้เพราะก่อเอ่ยขึ้นเราก็รู้แล้วว่าคนคนนี้จะใช้ลูกไม้แบบไหนทํากับเราเราฟังด้วยสติปัญญาไม่ฟังด้วยความหลงไหลบัวเบาในสิ่งที่เขาเล่า ในใจของเราจะต้องคิดไปก่อนว่ามันจะเป็นไปได้หรือน่าเชื่อหรือมันจะเป็นจริงหรื อ, อคิดไปอย่างนั้นสงสัยว่าอย่างนั้นก็จะไม่ถูกหลอกถูกต้มถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องไปตามหลักสันติโกคือเห็นชัดด้วยตัวเอง พระผู้มีพระภาคเจากล่าวย้ำกล่าวเตือนบ่อยๆกับพิษุบริษัทเธอทั้งหลายอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่ารับอะไรง่ายๆแต่จงใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบรู้ในสิ่งนั้นๆถ้าจะรับก็แกลว่ารับด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแม่องค์พระ ปรมาครูของเราทั้งหลายจะสอนใครพระองค์ก็เปิดโอกาสให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบเช่นว่าเวลาจะสอนใครพระองค์มักจะเตือนว่าทำในใจให้ดีคิดให้แยกกายเราจะพูดให้ฟังอันนี้มีอยู่แต่ในคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในคาผีอื่นในโลกนี้ เพราะว่าคำพีอื่นอาจารย์อื่นนั้นมักจะผูกมัดสิทธ์ให้มีความเชื่อ่ายเดียวแต่ว่าในคำพีของพระพุทธศาสนานั้นไม่ให้เชื่อโดยปราศจากปัญญาจะเชื่ออะไรจะรับอะไรต้องใช้ปัญญาประโกอตามสมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะสอนอะไรกับใคร จึงมักจะกล่าวเตือนว่าทำในใจให้ดีนะคิดในแยบคายนะเราจะพูดให้ฟังนะเป็นการให้เสรีภาพแก่ผู้ฟังอย่างประเสริฐไม่บังคับไม่กลมขีผู้ฟังให้เชื่อให้ทำตามพระพระไนพุทธาสานานั้นไม่มีการบังคับอะไร ไม่มีการบังคับให้เชื่อไม่มีการบังคับให้ทำแต่ว่าใชา่เวทีจูงใจให้เกิดความเห็นถูกเห็นชอบในการกระทำนั้นนั้นแล้วก็ให้ทดลองด้วยตัวของตัวเองจนเห็นชัดด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องอันนี้เป็นหลักการสาคัญที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา เราหาไม่ได้ในศาสนาอื่นในคำพีอื่นแต่มีอยู่เฉพาะในประกายวิตรของพระพุทธเจ้าประกายวิตรของพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักแห่งความเชื่อที่มีปัญญาเป็นหลักแรงความเชื่อที่มีปัญญาทำคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นอย่างแทจ้จริง จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาทําความเข้าใจและควรที่จะเข้าไปพิจารณาศึกษาตามบทพระธรรมกุลที่เรียกว่าโอปนายิโกเอหิปัชิโกก่อนสวาคาโตประกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกาอากาลิโกหมายความว่า ให้ผลไม่จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดว่าเวลาเท่านั้นเวลานี้จึงจะมีผลเหมือนกับที่เราพูดกันบ่อยๆในสังคมปัจจุบันเนี่ยว่าสมัยนี้พระอาหารหันต์ไม่มีแล้วหรือพระอริยบุคคลไม่มีแล้วการพูดเจนนั้นเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้อง เพราะมันผิดกับหลักการของพระธรรมทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากัดไหว้ในเวลาใกล้จะปรินิพพานเนี่ยได้กรักับสู่พัท ธ, ธปริภพาชกซึ่งมาอย่างรีบร้อนเพื่อจะมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะถามปัญหาพระรู้ว่าพระองค์จะนิพพานแล้วต็รีบมา เ, เดินเหมือนวิ่ง มาให้ท่านฟฝ้าก่อนที่พระองค์จะหมดลมหายใจเมื่อมาถึงพระอานนท์ก็บอกว่าอย่าเลยท่านเอ้ยพระผู้มีประภาคประชวนมากใกล้จะหมดลมหายใจอยู่แล้วอย่าเข้าไปรบกวนเลยพระองค์ได้ยินคำห้ามของพระอานนท์ก็เลยบอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขาเขาไม่ได้มารบกวนต่ตาคต แต่เขามาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนของเราปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะอันนี้ถ้าเราอ่านแล้วก็จะรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาคุณของพระองค์ ท, งทั้งที่ประชวนมากใกล้จะหมดลมหายใจแล้วแต่ว่าการประเจ็บป่วยของพระอาหารหันนั้น ไม่เหมือนกับการเจ็บป่วยของเราที่เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเราเจ็บป่วยแล้วมันก็ป่วยจริงๆป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจมีความกระบนกระวายมีความทุกข์รุ่มรุมแต่พระอ า, หารหันเจ้าทั้งหลายนั้นมันเป็นความป่วยทางร่างกายใจไม่ได้ป่วยด้วย ไม่ได้มีความกระวนกระวายไม่ได้มีความเดื อ, รอดร้อนจากความป่วยนั้นคงนอนอย่างสงบสง บ, สงบไม่ได้แสดงอาการให้เห็นว่าเป็นทุกข์หรือพูดว่าไม่มีทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นจากโรคป่วยไข้เจ็บนั้นนอนสงบรอเวลาที่จะหมดลมหายใจ ท่านเมื่อมีผู้ต้องการจะศึกษาธรรมะใครจะเข้ามาถามปัญหาก็ทรงพระกรุณาโปรดให้เข้ามาไม่เกิดกันพระอานนท์ก็ปล่อยให้เข้าไปเฝ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าสุพัทธปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชพวกหนึ่งในอินเดียในสมัยนั้น ได้ตั้งปัญหาถามพระองค์มากมายหลายขอ้อพระองค์บอกว่าเวลามันน้อยอย่าถามปัญหานอกเรื่องอะไมันยืดยาวเลยฟังดีกว่าเราจะพูดให้ฟังแล้วพระองค์ก็จัดให้ฟังย่อๆอสั้นๆเพนกากัดที่ย่อสั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างยิ่ง สุพัตตาเปริภาชกได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขอบวชณนะที่ตรงนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายในพระชนอาชีพของพระพุทธเจ้าเพราะว่าบวชแล้วก็ น, นิพพานแล้วก็มีคำกล่าวตอนหนึ่งว่าสุพัตตะเอ๋ยถ้าชาวลูกยังปฏิบัติตน ตามมารยมาทมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอาหารหันตุภัตตะเอย๋ยถ้าชาวลูกยังปฏิบัตบิตนตามมารยาทมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอาหารหันต์อันนี้เป็นคํายืนยันว่าคุณทำชั้นสูงนั้นยังมีอยู่ ถ้ามีผู้ปฏิบัติถ้ามีใครปฏิบัติตามมาริยมัทเมียองแปดติดต่อกันไปผู้นั่นก็จะได้รับผลสนองตอบในความเป็นพระอาหารหันได้เพราะธรรมะเป็นสิ่งไม่จำกัดเวลาเป็นอาการลิโก้ทำเมื่อใดก็ได้ทำเช้าทำสายทำบ่ายทำเย็นทำที่ไหนเมื่อใดก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้ทำที่วัดก็ได้ทำที่ใดก็ได้ธรรมะยอบให้ความคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติเสมอให้ผลเสมอในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ทำตามก็ได้ผลเหมือนกันแต่ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจมันก็ให้ผลไม่จำกัดเหมือนกัน ทำผิดก็ได้ผลเป็นทุกทำถูกก็ได้ผลเป็นสุขทำเมื่อใดก็ได้ผลเมือนั้นได้ทันทีไม่ต้องรออะไรไม่ใช่ว่าต้องไปได้กันในพบหน้าฉาติหนะ้าไม่ใช่อย่างนั้นมีพระบางรูปไปพูดทางวิทยุพูดว่าที่โยมทำบุญสุนทานกันไหว้เนี่ยค่อยไปเอาผลกันในชาติหน้าเอ ฟังแล้วมันไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกมันผิดกับความหมายของพระธรรมคุณที่ว่าสันติโกคือให้ผลไม่ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะแก่ผู้นั้นให้ผลทันทีไม่ต้องรออะไ ร, ราอาเดี๋ยวนี้มันก็เย็นเดี๋ยวนี้ จับ่านไฟร้อนมันก็ร้อนเดี๋ยวนั้นมือพอมเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าจับวันนี้แล้วไปพองพรุ่งนี้หรือไปพองเอาบารุ้นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นทันทีจับปุ๊บมันก็ร้อนทันทีจับน้าแข็งมันก็เย็นทันทีจับของเปื้อนมันก็เปื้อนทันทีไปล้างมันก็สะอาดทันทีนี่มันมันเป็นอย่างนั้น เพราะงั้นบุญกุศลที่ญาติโยมกระทําอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยอย่าคิดว่าทําไหวเมื่อนหน้ามันก็ให้ผลอยู่แล้วในเวลานี้เราได้รับผลได้รับความสบายใจอุ่นใจอยู่ในเวลานี้แต่มันจะเกิดอีกในการต่อไปข้างหน้ามันก็ได้ผลเรื่อยๆไปถ้าเราทําไม่หยุดผลมันก็จเจริญไม่หยุด มันเราปลูกพืชในปลูกทุกฤดูมันก็ได้เก็บเกี่ยวทุกฤดูโยงไปดูสวนผักแถวที่เขาปลูกผักมากมากที่ไหนก็ได้เขาปลูกตลอดปีที่ดินไม่มากแต่ว่าปลูกตลอดปีขายตลอดปีได้ผลตลอดปีแต่ถ้านานๆปลูกทีเนี่ยมันก็ได้ผลเป็นก้างๆคราวๆเป็นกาลิโก แปลว่าให้ผลเป็นเวลาเพราะเราทำจำกัดเวลาถ้าเราไม่จำกัดเวลาผลมันก็เกิดแก่เราไม่จำกัดเวลาญาติโยมเข้าใจให้ถูกต้องว่ า, าทาเมื่อใดได้เมื่อ น, นั้นเพราะเป็นผลปรากฏแก่ใจอยู่แล้วใครทำใครก็ได้ น, นี่โยมมานั่งฟังทำรู้สึกอย่างไร ถ้าฟังด้วยความตั้งใจเพลิดเพลินในธรรมะก็สบายใจมีความสุขใจมันสุขใจเวลานี้สุขใจเพราะฟะังเราเข้าใจข้อธรรมะที่พระแสดงแล้วเราเอาไปปฏิบัติผลมันก็เกิดแก่เราในขณะเราปฏิบัติเรามีความสุขในขณะนั้น แล้วมีความสุขต่อไปถ้าเราปฏิบัติสิ่งนั้นเรื่อยไปไม่หยุดผลก็เกิดแก่เราเรื่อยไปเรารับทานอาหารเมื่อเช้ามันก็คุ้มไปได้ถึงกลางวันพอกลางวันเพิ่มอีกเมื่อนะคุ้มไปได้ถึงเย็นตอนเย็นก็เอาอีกเมื่อนะ่ะมันคุ้มต่อไปตลอดเวลากลางคืนที่นอนอยู่ เราจึงต้องรับทานอาหารวัน ล, ละสามมือ้อเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราจันใดเราทําความดีก็ต้องทําเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยัง้งไม่จะทํำเฉพาะวันพระหรือเฉพาะวันอาทิตย์เราทําทุกวันทําดีได้ทุกวันทําบุญได้ทุกวันไม่หยุดไม่ยัง้ง แล้วผลมันก็ประจักษ์แก่ตัวเราเองว่าเราได้อะไรเราสบายใจอย่างไรอาชีพเก่าหน้ามีความสุขมีความเจริญอย่างไรให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของธรรมะที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ให้ผลอยู่อย่าเฝ่ไปอย่าไปนึกว่าดวงดีวันนี้ได้กำไรหรือดวงไม่ดีขาดทุนอะไรอ ย, อย่าไปนึกอย่างนั้น แต่ให้นึกไห้ถูกให้คงว่าเพราะเราประพฤติ ธ, ธรรมสิ่งทั้งหลายจึงเจริญก้าวหน้าเพราะเราขาดธรรมะสิ่งทั้งหลายจึงขาดทอนไม่สมบูรณ์เพราะเราปฏิบัติธรรมไม่สมบูรณ์แล้วก็เติมให้มันสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้ผลเรื่อยไปไม่จํากัดฤดูการผลไม้ออกเป็นฤดูพ้นฤดูแล้วมาก็บด ขณะนี้ลำไ ย, ยลางศาสตร์กำลังหกแต่อีกไม่จะได้ก็หมดแล้วไม่มีขายแล้วเพราะมันจํากัดเวลาแต่ว่าผลจากการกระทาของเราไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นเนตร่ายเกิดสุขเกิดทุกข์เป็นเนตร่าเกิดความเสื่อมเกิดความเจริญอย่างไรก็ตามมันต้องเกิดผลแก่เราทุกเวลาที่เราทำ ทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นแหละให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะถูกหลักว่าอากาลิโกให้ผลไม่จำกัดเวลาแล้วคุณทำชั้นสูงนะั้นยังมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแต่ว่าพระอริยบุคคลไม่มีฉลากปิดว่าที่หน้าผากเรารู้ไม่ได้ เราจะไปเพ่งดูที่กีวร์นก็ไม่ได้ไปดูกิริยาอาการก็ไม่ได้เพราะนั้นเป็นแต่สิ่งภายนอกอย่าวินิจจัยบุคคลด้วยการมองดูสิ่งภายนอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าวินิจจัยคนว่าโอ้คนนี้นัง่งรถเบนซ์คงจะมีทรัพย์มัอาจจะมีทรัพย์มั้แต่ว่าต้องคิดต่อไปว่าทรัพย์นั่นได้มาทางไหน ถาอะไรจึงได้ทรัพย์มาแล้วเขานั่งในรถนั่นเขาสบายใจหรือเปล่าต้องคิดลึกลงไปเลยเหน็นใครแต่งตัวอะไรก็อย่าเรียกว่าเป็นเครื่องวัดความดีความถูกต้องเสมอไปเพราะคนบางคนอาจจะแสวงหารัพย์ในทางที่ไม่ถูกก็ได้แต่มันก็ได้นั่นแหละถ้าเฮโร อ, อีนมันก็ได้เงินเหมือนกันร่ํารวยเหมือนกัน แต่ความร่ำรวยนั้นเกิดจากการค่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำลายชีวิตคนทำลายสุขภาพทำลายความเป็นอยู่ที่ถูกต้องให้หายไปเพราะคนเสพสิ่งเสพติดแล้วมันเสียคนหรือพวกขายยา마ขายดีพวกสิบล่อชอบรวยเหมือนกัน แต่ว่าอุปัติเหตุเกิดบรนละเท่าไหร่ความเสียหายเกิดขึ้นจากไอ้พวกนี้มีปริมาณเท่าไหร่เราไม่ได้คํานึงคิดแต่เพียงว่าจะร่ารวยท่าเดียวเป็นความร่ํารวยอยู่บนฐานแห่งความไม่ถูกต้องมันเอาไม่หลักไปปักไว้ที่กองแกลบมันไม่มั่นคงอะไรโยกเยกไปมาได้ไม่ถาวอ ร่ำรวยไม่ถาวรไม่ไปถึงลูกถึงหลานรู้ไปเต้ยรู้แต่เรารู้ว่าครอบครัวไหนกล้าขายในทางทุจริตดูต่อไปดูต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรก็จะเห็นด้วยตัวเราเองว่าคนนั่นเป็นอย่างไรผลกรรมจะปรากฏแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ลูกแก่หลานไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่คนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้คบบัณฑิตไม่ได้เข้าใกล้พระไม่ได้ฟังเสียงพระไม่ได้รู้ว่าตัวอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่หารู้ไม่ว่านั่นมันเป็นอสรพิษที่จะกัดตนเองให้ตายเมื่อไหร่ก็ได้มีอยู่บ่อยๆเหตุการณ์นี้มีบ่อยๆ เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเพราะผลแห่งความดีความชั่วที่เราทํานั้นย่อมส่งผลให้เกิดแก่ผู้กระทําเสมอมันหนีไม่พน้นยังเรียกว่าเป็นอากาลิกูธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ผลไม่จํากัดเวลาโอปัญญิกูหมายความว่าเอหิปัตติกูหมายความว่า มาดูสิมาชมสิมาทดสอบดูสิมาปฏิบัติดูท่าเป็นการท่าทายเอหิปติโกนี่เป็นการท่าถายาท่ า, าท า, ายว่ามาดูสิมาลองปฏิบัติดูสิหรือจะพูดแบบนนกินอาหารก็มาชิมดูสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงท่าถายท่าทายให้ชิมอยู่ตลอดเวลา เหมือนเชิญชวนชิมใั่นแต่นำไปชิมอาหารท่ไมก็ได้สาระเท่าเลยแต่การโฆษณาขายอาหารไม่ค่อยมีใครโฆษณาให้ชวนชิมธรรมะบ้างเลยน่าจะโฆษณาชวนชิมธรรมะบ้างให้มาปฏิบัติดูบ้างโฆษณาทางวิทยุให้มาปฏิบัติดูบ้างห้มารักษาศีลขวังธรรมบ้าง ให้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตในการงานประจําวันบ้างแล้วดูสิว่ามันจะเป็นยังไงพูดท้าทายะทางธุรทัศน์ทางวิทยุให้คนมันอยากทดสอบว่าคนสมัยนี้ก็อยากจะทดสอบอยู่เหมือนกันมันท้าทายแต่คนไปขึ้นยอดเขาสูงๆหาเรื่องให้ที่โครงหักนาะมาเรื่องอะไรถามว่าขึ้นทำไมเออมันท้าทายดีอยู่อ่า ตาถายภูเขาที่ไม่มีทางขึ้นเป็นหน้าผาชันเขาเหล็กตอกลงไปจับยุงไต่ขึ้นไป้ถาถ่ายตาขลืนได้ถึงยอดก็เรียกว่าเก่งแต่ไม่ได้พ้นทุกอะไรชีวิตมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันท่าถายยอดภูเขาหิมาอะไรนี่ท่าถายไอ้คนไปขึ้นยอดที่สูงสุดนี่ เอเวอร์เรสต์แปลว่าอยู่ถาวร อ, อย่างนั้นคนก็อยากขึ้นตายไปหลายชุดแล้วเกื้อมแล้วก็ตายถูกพายุหิมะพัดรุนแรงหลงทางติดอยู่ในดงหิมะตายศพอยู่นั้นและไม่เปิยไม่เน่าเพราะว่ามันเย็นมากมีน้ำแข็งคนชาวนิวซีแลนด์ชื่อเซอร์ฮิลลารี ได้ขึ้นไปถึงยอดเป็นคนแรกปลื้มใจไอ้ความจริงคนแรกที่ขึ้นถึงนั่นมันไม่ใช่เซย์แลรีล่หรอกเป็นคนนปเนปานชาวเนพานเป็นผู้นํามาคนนั้นเป็นผู้นํำไม่ น, นาทางมันก็ถึงก่อนนะแล้วแกเป็นคนนับถือพุทธศาสนาพอขึ้นไปถึงก็เอาน้ําตาลทรายสามก้อนวางกราบบูชาเรีว่าบูชาด้วยน้าตาลทรายน้าตาลก้อน โบจาพระพุธะทธธรรมประสงค์ในการที่ตนได้สามารถปีนขึ้นมาสู่ภูเขาได้ชื่อเทนซิงอยู่ที่มังดายิลิงเดี๋ยวนี้บ้านแกก็คนชอบไปดูเหมนไปดูรองเท้าไปดูหมวกไปดูเสือ้อไปดูเครื่อง่ายเครื่องประกอบนั้นที่ปีนภูเขาได้นี่มันท่าไดยคนเรามันชอบการท่าไทย อันนี้ธรรมะนี่ความจริงก็ท้าทายอยู่ท้าทายว่ามาดูสิมาศึกษาดูสิมาปฏิบัติดูสิทดลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันเสียงไม่ดังท้าทายไม่ดังคนก็เลยไม่เข้ามาทดสอบแต่นี่ต้องพูดท้าทายกันมั่งทางทตัวระดั์วิทยุให้พวกมาทดสอบกันบ้างอย่าว่าท้าทายให้มาดู ไม่มาชมมาปฏิบัติเพราะสิ่งที่พระองค์ท้าทายนั้นเป็นสัจจ์เป็นของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอมท้าให้พิสูจน์ได้ท้าให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติทดสอบด้วยตัวเองไม่มีคําสอนใดที่ท้าให้พิสูจน์เท่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ได้ถ้าให้พิสูจน์ แต่ของเรานั้นถ้าให้พิสุจน์ถ้าให้ทดลองทดลองด้วยตัวเองเอาชีวิตเข้ามาเป็นเครื่องทดลองกันเลยอเอามาปฏิบัติให้มาดูแล้วก็เอาไปปฏิบัติคู่กันกับโอปณญญิกูโอปณญญิกูเมื่อมาดูแล้วเอามาสัเอามาทดสอบไปเห็นอาหารจานนะั้าลองกินดูที่เป็นยังไงเรียกว่าเอากลับมาใส่ตัวกินกับไปในต้อง เอามาแต่ง ด, ดูมันสวยอย่างไรไอ้ชุดนี้ไอ้ชุดที่เขาประกาศขายราคาแพงๆนะ่ะแต่งแล้วมันเป็นยังไงเสื้อาจิตใจมันจะบ้าขึ้นขนาดไหนเอามาทดลองดูนีอทดสอบต้องเข้าไปทดสอบไปทำดูไปเห็นชัดด้วยตนเองแต่ว่าน้อมก็มาใส่ตัวคือเอามาปฏิบัติพอเห็นแล้วเอามาปฏิบัติเอามาใช้เอามาทดลอง โอปัญโกพอเอามาทดลองแล้วจะประจักษ์แก่ตนเองว่าปจัจจจตังเวทิตาภูวิญโูหิผู้รู้จะเห็นชัดด้วยตัวเองรู้เองเห็นเองเมื่อว่าเราชิมแกงเนี่ยเรารู้ว่ารสมันเป็นยังไงอาหารจะได้รสชาติเป็นอย่างไรถ้าไม่กินมันก็ไม่รู้ไม่ดื่มก็ไม่รู้ไม่ทดสอบมันก็ไม่รู้ อันนี้พระพุทธเจ้าจันบอกว่าให้ทดสอบด้วยตัวเองเอามาทดสอบมาปฏิบัติลองดูพอปฏิบัติลองดูแล้วก็ประจักษ์แก่ใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้ใจสงบอย่างนี้ใจเย็นอย่างนี้มีสติปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร เมื่อก่อนไม่ได้ควบคุมตัวเองใจร้อนใจเร็ ว, รวนนขี่โกรธขนันทันแน่นอะไรกระทบนิดก็ปึ้งกันมาแสดงอาการโต้ตอบทันท่วงทีไม่ได้มันเสียเลี่ยมตัวตนมันเยอะแต่พอมาปฏิบัติเข้ามองดูตัวเองพิจารณาตัวเองควบคุมสติปัญญาให้มันดีขึ้นใครด่าก็เฉย ยิ้มจะด้วยมันดานะคำแต่ละคำนะสันหามาด่าเจ็บแสบจะนะนึกสนุกเว้ยดูฟังเพลินๆยิ้มยิ้มไปจะได้แล้วจะได้มีความมั่นคงในจิตใจไม่หวั่นไหวโ ย, โยโกโรงกับคำติคำว่าใครมาชมก็เฉยๆติก็เฉยๆมาทำอะไรก็เฉยๆเพราะรู้ชัดว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้อง ไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งที่มากระทบเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจเรีว่าไม่ขึ้นไม่ลงมีจิตใจคงที่โลกกระทำเคอได้ลาบเสื่อมละสุขทุกนินทาสรรเสริญมากระทบก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงกิดมั่นคงอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมะ มีธรรมะเป็นเกราะป้องกันตนทำให้ข่าศึกโจมตีไม่ได้ชีวิตก็เรียบร้อยไม่ห ว, วั่นไหวโยกรงกับอารมณ์นั้นนั้นมีความสุขทางใจนี่มันผลปรากฏแก่ตัวเราเองไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครเล่าเรารู้ได้เองนี่โยมที่มาวัดเนี่ยยีกกว่ารู้ได้เองพอสมควรยังได้มากันอยู่ทุกอาทิตย์ ยังไม่เห็นผลของการฟังธรรมะของการนำธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติไม่ไปไม่ได้เรีเยกแต่ไม่มามาทีเดียวหายไปเลยแต่ที่มาอยู่ทุกวันทุกวันนั้นก็เพราะว่ามันได้ผลมันลดความทุกข์ลดปัญหาลดความวุ่นวายใจให้ออกไปจากตัวเราสภาพจิตใจดีขึ้นมีความสุขสงบมากขึ้นน สุขสงบไม่ใช่สุขเกิดจากวัตถุประสุขเกิดจากวัตถุนั้นมันเปลี่ยนแปลงง่ายหายง่ายแต่สุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันไม่หายมันคงที่ถาวรเราได้พบเห็นด้วยตัวเราเองเรียกว่าประจักษ์แก่ใจรู้ได้ด้วยตัวเองเวทิตัโพวินโยหิอันผู้รู้เฝึงรู้ได้ด้วยตัวเองเรารู้ของเราเองเราก็ มีความเชื่อมั่นคงในปรัตนตรัยไม่หวั่นไหวโยโกโรงไปตามคำชักจูงเหลวไหลของใครๆเรามีอุดมการมีแนวคิดของเราเองตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสน า, าแสดงมา ก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้ดีผลความไม่ตกนับว่าสบายจึงขอยุตดิวายแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาตโยมนั่งสงบใจเพื่อทดสอบตัวเองเป็นเวลาห้านาทีเชิญได้แต่เมตาเตาสเปสตาอะเวรา อัพยาปชาอยาปชาอภนีขาอนีาสุขีอัตานสุขีอัตานปาริหรันตปริหารันตูสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย